จิตตสุโพคำที่หลวงพระเทียนท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราทำให้สติเนี่ยตื่นตัวรู้อยู่ทุกขณะมันก็มีผลทำให้เราเนี่ยรู้แจ้ง รู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงนี่หมายถึงตัวปฏิบัตินะเป็นตัวการปฏิบัติเป็นภาวนามย์ปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือเกิดจากการเจริญสตินี่ก่อนถึงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงสมวงพ่อเทียนท่านก็ได้พูดไว้ก่อนว่าเรามีความรู้อยู่สีระดับคือรู้จา แล้วก็รู้จักแล้วจึงมารู้แจ้งรู้จริงคำว่ารู้จำรู้จักนี่ก็หมายถึงรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการที่เราได้อ่านแล้วเราก็คิดนึกจดจำเอาไว้อันนี้เลยรู้จำจะเป็นความรู้ในขั้นต้นๆซึ่งใครๆทั่วไปก็รู้ได้แต่ว่ายังดับทุกข์ไม่ได้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 รู้แล้วแก้ปัญหาได้รู้แล้วคนทุกไปเลยมันจะเรียกว่าความรู้มันก็ไม่ใช่มันเหนือรู้งงไหมท่านผู้ฟังถ้างงก็รู้ว่างงนะถ้ารู้ว่างงแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ในทุกขณะปัจจุบันแล้วอย่าเพิ่งคิดมากชีวิตของเรานี่ก็อย่างนี้แหละเราต้องอาศัยความรู้สีระดับนี่แหละรู้จําก็เป็นประโยชน์รู้จักก็ดี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 จิตใจเราเป็นอย่างไรจิตมันก็จะคิดละคว้าเอาความทุกข์มาสู่จิตสู่ใจเรามีความมิตกกังวลในเรื่องต่างๆนาน า, นาความทุกข์เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกระทั่งเราเริ่มต้นตื่นนอนในตอนเช้าแม้แต่เวลาเราจะกินกินข้าวกินอาหารไปแต่ละมื้อเนี่ยเมื่อที่อาหารแต่ละมื้อของเราที่สแสวงหามาเนี่ยหรือไปซื้อหามา หรือเป็นนั่งตามร้านต่า ง, างๆที่มีราคาแพงๆอาหารที่มีราคาแพงๆเพื่อจะหาความสุขแต่บางทีเรากินอาหารแบบจิตใจไม่เป็นสุขก็ได้นะเรากินแบบจิตใจที่เป็นทุกข์นิต ก, กังวลกินไปคิดไปมันไม่ได้กินอาหารมันกลับกลายเป็นกินความคิดกินการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์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 ถ้าย่อยนั้นจะย่อยอะไรก็ย่อยกระเพาะอาหารของเรามันก็เป็นแผลแล้วก็มันเป็นทุกข์เพราะนั้นก่อนกินอย่าให้เครียดก่อนอาหารในยามท้องว่างอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลแล้วเมื่อเวลากินอาหารไปแล้วอิ่มแล้วนี่ก็ไม่ควรจะเครียดอีกนะถ้าเครียดหลังอาหารมันก็มีผลเหมือนกันการย่อยอาหาร จะไม่ป ก, กติทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องขึ้นมีลมมีเลอก็อึดอัดนะก็เป็นทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนี่ทั้งก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารไม่ควรจะเครียดนะทำทใจเป็นป ก, กติเอาไว้เวลาทำงานเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีความสุขกับการทํางานความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ยากในระหว่างการทํางานถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้อง ทำงานไปก็เกิดความวิตกกังวลงานเนี่ยมันจะเสร็จทันเวลาหรือไม่กังวลแหละเราตั้งกฎเกณฑ์ของเวลาเอาไว้แต่เราทํางานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มันจะเสร็จตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ใจเราก็เป็นทุกข์กับการทํางานเกิดความวิตกกังวลเครียดล่ะหรือบางทีกังวลนะอ๋อทำงานไปแล้วนี่ผลของงานเนี่ย จดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือคนเรากังวลกันมากตรงนตรงนี้ต้องการผลของงานถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วก็โอ้เรานี่แย่เลยเป็นทุกข์อีกละไม่เป็นสุขกับการทำงานมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดกับการทํางานแม้กระทั่งในายามนอนในายามนอนนี่ตอนเข้านอนน่าจะเป็นสุขนะเพราะจะได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจแต่เรายังหาความสุขได้ยากจากการนอนแม้ว่า ที่นอนหรือติยงอนนี่ราคาแพงๆนะเราหาซื้อมาด้วยราคาแพงๆ เ, เปิดแอร์เย็นสบายต้องการนอนอย่างมีความสุขแต่เวลานอนนี่เราก็เกิดความคิดวิตกกังวลละคิดวิตกกังวลปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์ในยามนอนนี่ใช่ไหมเราจะหาความสุขได้ยากมากในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราวางจิตวังใจไว้ไม่ถูกต้องมีหลายอยา่าง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 หรือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณ น, นั้นก็แค่รู้เฉยๆอ๋อรู้ว่าเราหิวรู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราสุกรู้ว่าเราทุกข์รู้แบบเป็นสัญชาตญาณแบบมีตัวมีตนถ้าสติแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะไม่รู้แค่นั้นคาว่ารู้ตัวทั่วพร้อม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 ที่เราจะลุกออกจากเตียงนยถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เรานอนอยู่ในท่าไหนนะเรานอนท่าไหนเราก็รู้สึกตัวอยู่จิตใจมันคิดมันนึกอะไรก็รู้เท่าทันเช่นเรามีสติรู้กายว่ากำลังนอ น, นความคิดมันก็จะมีมีการปรุงแต่งจิตยังไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาละ่ะเพาเรารู้กายที่มันนอนอยู่ยแต่ถ้าากว่า เรารู้กายไม่ทันไปเห็นจิตที่มันคิดวิตกกังวลก็เรามีสติรู้จิตมันก็พ้นออกมาจากความคิดนั้นได้ได้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็ตื่นนอนอย่างมีความสุขความสุขเลยหาได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสติมาก่อนความกางมังวลเพราะเรามารู้กายหรือจะมีสติอยู่เนื้อความกางมังวล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 ซึ่งนั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายกําลังเคลื่อนไหวรู้จิตรู้ใจที่มันคิดมันนึกขึ้นมาเนี่ยก็มันจะเป็นปัจจุบันนะจะเป็นปัจจุบันอยู่กับแดนงานของเรางานนั่นก็จะเป็นงานที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขสุขเกิดจากการทํางานความสุขเลยหายได้ง่าย นอย่างที่เราทางานแม้กระทั่งเรานอนขณะที่นอ น, นถ้านอนอย่างมีสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อจิตก็จะเป็นปกติรู้ตัวว่ากำลังเอนกายลงนอนอย่างรู้สึกตัวสติเข้ามา ก, ก่อนแลแม้ว่าจะมีความคิดบ้างมันต้องมีแน่ละตอนนอนมันเป็นเวลาที่สรุปแต่ละวันถ้ามันคิด เราก็รู้ว่ามันคิดมีความรู้สึกตัวรู้เท่าตันในความคิดคิดมันก็เป็นปกตินะแล้วก็หลับไปกับความรู้สึกตัวหลับอย่างมีความสุขแม้แต่ในการที่เราจะหลับลงไปชีวิตเรานี่ถ้ากินอิกนอนหลับก็มีความสุขนะสติเนี่ย จะทำหน้าที่รู้เท่าทันรู้กายรู้ใจไม่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกขณะมันจะอยู่เหนือความทุกข์ในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตก็จะสงบตั้งมั่นรู้อยู่ดูอยู่นิ่งอยู่เป็นปกติเป็นกลางๆก็จะไม่เกิดปัญญารู้ชัดรู้แจ้งจิตก็จะผ่อนคลายเพราะว่ามีการปล่อยวาง พอ ร, รู้ชัดรู้แจ็ก้วก็จะปล่อยวางจิตจะผ่อนคลายไม่เคเรียดจิตจะผ่อนสยเบิกบานความสุขจป็สิ่งที่หาได้ง่ายความทุกข์เปสิ่งที่หาได้ยากความสุขเกิดจากสิ่งที่เราขาดไปแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็จะเติมเต็มความสุขส่วนความไม่ตกกังวล ความเศร้าหมองความเครียดความทุกข์ต่างๆก็คือส่วนเกินของชีวิต